พุทธประเพณีพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงครกพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการอันควรตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีตรัสถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ทรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วยอริยมรรคแล้วพระผู้มีพระภาคพระเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระอานนุ์มารับสั่งถามว่านั่นเสียงครกใช่ไหมอา น, นุ์พระอ น, นุ์จึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ อนน์ดีแล้วดีแล้วพวกเธอเป็นสัตว์บุุษชนะได้เด็ดขาดแล้วข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อเพื่อนโพรมจารีในภายหลังจะพากันดูหมิน่น